ทำมีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สำเนาัญญะความรู้ตัวจําเอาแล้วก็ไปพูดไปตอบอนั้นไม่ใช่เป็นภาคปริยัติเป็นภาคทฤษฎีแต่ว่าไม่ต้องไปท่องเป็นเสียงเป็นคําพูดเอาการกระทําเอากายไปต่อเอากายไปจุ่มเอาให้มันติดกับกายให้มันติดกับจิต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 พระ้ชีวิตมีสมรรถภาพเป็นมาตสฐานเพราะว่ที่ดูนะไม่เพื่อไม่เพื่อนกับเสี่ยงใดการเห็นถ้าเป็นแล้วเปื่อเพื่อนนะเราจึงมาดูออกมาดูเหมือนพระพุทธเจ้าสแสดงว่าสู่ทั้งห้ายจงมาดูโลกอันกว้างสอกยาวหานหาคืบวิกิตรการดุดรดชะลดที่คนเขาหมกกันอยู่โจมอยู่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 แล้วก็เกี่ยวของโดยที่ไม่ถึงกิทถึงใจแยกรูปแยกนามออกจิตใจไม่กระทบกับระเทือนกับภาวะที่เก็บที่ปวดมันก็ยกเป็นส่วนหนึ่งแต่มันปวดร0อยเปอร์เซแต่ใจไม่กระทบกระเทือนมันก็ไม่ถึงร0อยเปอร์ซถ้าร0อยเปอร์ซมันต้องถึงใจด้วยถ้าไม่ถึงใจเนี่ยไม่ถึงรอยเปอร์ซเยียวยาลงไป จะหิวอนี้เป็นผู้หิวเป็นทุกข์เพราะหิวเป็นสุขเพราะอิม่มก็ร้อยเปรเซ็น์เป็นภาวะของปุตุชนปุตุชนคือร้อยเปอร์ซ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุตุชนถูกสอนสองดอกถูกกายแล้วถูกกิจ ด, ด้วยอริยบุคคลถูกสอนดอกเดียวเช่นความร้อนก็